1. ชจีวรวักสอุดโทสิตะสิกขาบทว่าด้วยภิกษุเก็บจีวรไว้ในโรงเก็บของวงเล็บว่าด้วยกระถินดอะข้อที่สองเรื่องภิกษุหลายรูป471สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถี ครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายฝากสังคารติไว้กับพวกภิกษุมีเพียงอุตราสงกับอันตรวาสกออกจาริกไปสู่ชนบทสังคารติเหล่านั้นเก็บไว้นานจึงขึ้นราภิกษุทั้งหลายจึงนำเอามาพึงแดดท่านพระอ น, นุนเที่ยวไปตามเสนาสะนะเห็นภิกษุกำลังพึงสังคารติอยู่จึงเข้าไปถามภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายสังขาติที่ขึ้นราเหล่านี้เป็นของใคร ลำดับนั้นภิกษุเหล่านั้นบอกเรื่องนั้นให้พระอนทน์ทราบท่านพระอ น, น, ตนุตําหนิประนามพลทนาว่าชไนภิกษุทั้งหลายจึงฝากสังคติไว้กับพวกภิกษุมีเพียงอุตราสงกับอันตรวาสกออกจาริกไปสู่ชนบทเล่าครั้นท่านตําหนิภิกษุเหล่านั้นโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้สงราบ